หรือมันมาคนละข่าวสิ่งที่ดีไม่ทาําปบาปกระบุญนะ่ะบาปดีกับชั่ ว, รรรร ว, วหรือบาปกระบุญไม่ทําบาปทั้งปวงทําแต่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าดีและชั่วหรือบาปกระบุญเนี่ยมันมาด้วยกันหรือมาคนละคราวแสงพระอาทิตย์กับเงาเนี่ยมันมาคนละครั้งหรือมามาครั้งมาคราวเดียวกันอา่าคราวเดียวกันเมื่อมีแสงแล้วจะปฏิเสธเงาได้ไหมไม่ได้เมื่อมีดีแล้วจะปฏิปชั่ว Peki. ได้ไหม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 นะใจรักของอิทธิบาทคือคุณรักที่จะทำไหมเรื่องเหนี้ยสองเมื่อคุณรักที่จะทำแล้วลองทำอย่างถูกต้องไหมเรา่อ ว, ว่าวิริยะทำอย่าถูกต้องทำไงก็ที่ว่าเมืม่อกี้หนึ่งเฝ้าระวังสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคและปัญหาที่เกิดแต่ละขณะสองเมื่อเฝ้าระวังแล้วเป็นไง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 ถ้าเราเห็นสามีภรรยานั่งรถมาด้วยกันนะ่ะผู้ชายเนี่ยไม่ได้ขับรถอะ่ะผู้หญิงขับหมดขับรถเทเลอร์ขับรถสิวโร่เดี๋ยวนี้นะอาชีพเขาขับแท็กซี่ก้าวหน้าเพราะงั้นเดี๋ยวนี้ยมผู้หญิงของเราจะต้องพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งเดี๋ยวนี้ผู้ชายดีๆที่เราต้องการหายากกะเนาะ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 ถ้าเริ่มเป็นขึ้นนั่นหมายความว่าสติสัมยาที่เราฝึกที่โลกุตระปัญญามันก็จะเริ่มเข้มแข็งขึ้นเมื่อโลกุตรปัญญาเข้มแข็งขึ้นาก็จะไปจัดการกับจิตได้เมื่อจัดการกับจิตเป็นก็จัด ก, การกับกายเป็นเมื่อจัด ก, การกับจิตกับกายเป็นทุกข์เป็นไงลดได้ไหมลดได้บาปลดได้ไหมลดได้การเว้นว่ายได้เกิดที่ยืดยาวลดได้ไหมได้ การเวียนว่ายได้เกิดพบชาติที่เกิดก่อนเกิดหลังตายพุทธเจ้าไม่เน้นนะเพมแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ท่านเน้นการเวียนว่ายได้เกิดในแต่ละเวลานาทีเนี่ยเวีนว่ายได้เกิดในจิตก็คือคิดแล้วเรื่องเดิมๆคิดหลายครั้งเดี๋ยวเรื่องนั้นไปเดี๋ยวเรื่องนี้มาเดี๋ยวคิดดีๆก็ช่วยจัดการเวียนว่ายได้เกิดตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าคุณจัดการเวียนว่ายได้เกิดตรงนี้ไว้ได้คุณไม่ต้องไปโกลัคุณจะเกิดแล้วไม่เกิดอีกต้องไปแน่นอนนะเพราะอันนี้คือเหตุของมันสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าจัดการเหตุได้